สวัสดีครับวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศสียบานนะครับ <c oughs> ในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตรพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบหกเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูสิบเอ็ดคำวิงวอนที่หนึ่งนะครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสัภาระครับนี่คือความสําคัญอันดับแรกของการอธิษฐานเป็นคําวิงวอนแรกนะครับ ให้เราจินตนาการนะครับว่าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูทรงสอนนั้นเราจินตนาการว่าเราได้เข้าสู่ท้องพระโรงนาเบื้องพระพักและพระที่นั่งกําลังสนทนากับพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ทรงพระชนอยู่ของจักรวาลนี้ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเราด้วยนี่เป็นเศษที่พิเศษครับเป็นสิทธิทพิเศษ ช, ชนิดที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ ในการที่เราจะมีสิทินี้ในการอธิษฐานสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญอันับแรกและตลอดไปเป็นนิดก็คือการตระหนักในการถวายเกียรติการตระหนักในการถวายการนรรมศารการตระหนักในการถวายคําสรรเสริญการตระหนักในการถวายข้าสริยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนอง ด้วยการยอมจำนนยอมเชื่อฟังต่อพระองค์บรรดาคำทูลขอทั้งหลายต่อจากนี้ความรู้สึกความต้องการความทุกข์ยากลาบากของเราและปัญหาทั้งปวงของเราจะต้องต่อมาทีหลังก็นามที่สุดจะเอารสชะตาเป็นที่สุดของที่สุดครับพี่น้องครับและราชกจักร์และนามไทยของโรงก็เช่นเดียวกันครับ ก็จะเป็นการปิดการในฐานว่าขอให้รัฐาจักรนะครับพัสดุทุกอย่างนั้นจะเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานในชีวิตของเรานั้นก็คือทรงโปรดยกโทษบาปทรงนําเราทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์พอเพียงเสมอสําหรับชีวิตของเราแต่สิ่งเหล่านี้จะตามมาก็ต่อเมื่อ เราให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งแล้วเท่านั้นนะครับผมได้ไปในพิธีไว้อะไรของน้องเจดเขาบอกว่าถ้าเราทำตัวเราให้เป็นศูนย์แล้วนะเอาพระเจ้าอยู่เบอร์หนึ่งชีวิตของเราก็จะเพิ่มคุณค่าจนถึงเียกว่าที่สุดประมาณค่าไม่ได้การนัศนการที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นที่พระเจ้าครับปฏิเสธตัวเองให้ตัวเองเป็นศูนย์ลืมตัวเองเสีย แย้ถวายเกียรติแด่พระองค์กราบลงนมัจการพระองค์ยกย่องพระองค์ถวายพระสิริของพระองค์เคารพสักการะพ ร, ระองค์ปัจจุบันนี้นะครับในเขตจักรบางแห่งมีกลุ่มคนที่ทําการกล่าวอ้างเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องกระทำํำหมายความว่าสามารถบีบให้พระเจ้ากระทําได้โดยการเข้าไปอยู่ต่อหน้าทักน์ของพระเจ้าและประกาศว่าพระองค์ต้องเคลมเคลมพระองค์ว่าพระองค์ต้องทําอย่างนี้อย่างนั้น แม้กระทั่งเคลมพัสัญยาของพระเจ้านี่นะครับนักเทศหรือทุรับใช้บางคนบอกให้ผู้เชื่อเรียกร้องเคลมต่างๆสิ่งต่างๆจากพระเจ้าโดยใช้เครื่องมือก็คือความเชื่อคนนึงบอกว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตแล้วและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคุณจะไม่มีวันรู้จักความเจ็บป่วยเลยอันนี้ก็ผิดนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิพิเศษของคุณที่จะเรียกร้องโดยความเชื่อให้พระเจ้ารักษาคุณให้มีสุขภาพดีหรือให้มีความมั่งคั่งร่ำรวย อันนี้คือการสอนคําสอนที่ตกขอบครับการเรียกร้องสิ่งต่างๆจากพระเจ้าตามเงื่อนไขของตัวเองเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องซึ่งระบาดอยู่ทุกวันนี้นะครับและบ่อยครั้งทีเดียวครับเราก็อธิษฐานในทํานองนี้พี่น้องครับเรามาดูนะครับว่ามีตัวอย่างในพระคัมภีร์ครับในประสมระการบทที่ยี่สิบแปดข้อยี่สิบเป็นคําอธิษฐานของยาโคบยาโคอบอธิษฐานนะครับคล้ายๆกับคน ที่ได้กล่าวมาแล้วอยาก็วอธิษฐานว่าไงครับถ้าข้าพเจ้าทรงอยู่กับข้าพระงทรงพิทักษ์ในทางที่ข้าพระงไปประทานอาหารให้ข้าพระงค์รับประทานและเชื้อพระให้ข้าพระงสวมจนข้าพระงกลับมาบ้านบิดาของข้าพระงโดยสวัสดิภาพแล้วพญาหัววาจะเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์น้องครับคําอธิษฐานอย่างนี้ฮะัถือเป็นคําอธิษฐานที่มีเงื่อนไขครับเป็นไปได้อย่างไงครับที่เราจะอธิษฐาน อย่างมีเงื่อนไขต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระองค์ปรารถนาที่จะให้ข้าพงอยู่ฝ่ายพระองค์ใช่ไหมประทานสิ่งนี้ถ้าพงค์ก่อนสิทำสิ่งนั้นให้ข้าพง์ก่อนสินี่คือเราสั้างเงื่อนไขกับพระเจ้าถามว่าเป็นการบางควรหรือสมควรไหมครับคำตอบก็คือว่าไม่สมควร แต่ขณะที่พระเจ้านั้นทรงริษฐานุภาพสูงสุดในเวลาเดียวกันครับพระเจ้าซึ่งนา็พระบิดาบนสวรรค์ก็สามารถที่จะให้เราทูลขอได้โดยที่ทักคุณความรักของพระองค์ในแง่นี้ก็มีเพียงพอที่พระองค์จะไม่ทรงพระพิโรธต่อเราแต่แท้ที่จริงแล้วครับพี่น้องให้เรามาดูนะครับ คำอธิษฐานต่อไปก็คือและก้อนหินจึงข้าพรองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพรองค์ข้าพรองค์จะถวายหนึ่งในสิแก่พระองค์พี่น้องครับนั่นไม่ใช่เป็นคําปฏิ ญ, ญาณฝ่ายวิญญาณครับแต่เป็นฝ่ายเนื้อหนังเราไม่ยังเป็นต้องลบเร้าพระเจ้าเราไม่ยังเป็นต้องทําอะไรกรรมแล้วซ้าเล่าหรือทําอะไรพิเศษเพื่อให้พระองค์ตอบสนอง เพราะว่าเราไม่เหมือนกับพวกผู้เผยพระเจ้าและพวกปู้โลหิตของพระบาอันครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สุดยอดทรงทรงประเสริฐสุดทรงทรงดีและพรงห่วงใยเราทั้งหลายครับไม่ได้หลับไหลพระองครอชี้แนะรอให้เราคอยคอยเราครับเข้าไปเป้าพระองค์ครับเพรพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงรักและห่วงใยลูกๆของพระองค์เสมอไม่ว่า เราจะตกอยู่ในสภาวะเช่นไรนี่น้องครับมีนักนายแพทย์คริสเตียนผู้หนึ่งครับชื่อว่าพอลทัวเนียนายแพทย์ท่านนี้ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าและเป็นที่ปรึกษาของบรรดาผู้ที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณและท่านได้เขียนหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับท่านเขียนไว้ในหนังสือของท่านเรียกว่าด็อกเตอร์แคชบุ๊กด็อกเตอร์คบุ๊กท่านเขียนอย่างนี้ครับว่ามีคนไข้ผมคนหนึ่ง เธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวใหญ่ซึ่งมีพ่อที่รู้สึกแม้จะทำงานมากแค่ไหนก็ไม่จำเป็นก็ไม่สามารถครับหรือไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้วันหนึ่งครับเธอได้ยินพ่อพูดพุ่มพมอย่างสิ้นหวังาพาดพิงถึงตัวเธอว่าถ้าเราไม่มีลูกคนนี้ฐานะของเราก็ดีกว่านี้พี่น้องครับถ้าเราเป็นลูกเราคงรู้สึกแย่มากๆเลยใช่ไหมครับ แต่พระเจ้าจะไม่ตรัสเช่นนี้กับเราอย่างเด็ดขาดครับเ พ, พราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงมีความรักต่อลูกทุกๆคนเท่ากันหมดพระเจ้าตรัสกับโมเสสนะครับว่าเราจะรู้จักเจ้าเรารู้จักเจ้าด้วยงามของเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นทรงให้ความสําคัญกับทุกๆคนตามชื่อหมายความว่าเรียกชื่อเป็นคนๆไปที่น้องครับ ในคำเทศนาบนภูเขาเราก็เห็นลักษณะเช่นเดียวกันครับมีประโยคที่น่าสนใจมากทีเดียวจำได้ไหมครับว่าพระเยซูตรัสว่าไม่มีนกตัวใดจะตกลงถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของเราไม่ทรงทราบในภาษาอารามเอกนะครับซึ่งเป็นภาษาที่พระเยซูตรัสมีความหมายว่าไม่มีนกตัวใดบินไปบินมาโดยพระบิดาไม่ทราบ พระองค์ไม่ได้ทรงทราบเมื่อนกตายเท่านั้นแต่พระองค์ทรงทราบว่าเมื่อนกกําลังบินมันจะบินไปที่ไหนด้วยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความสัพพันธ์อูของเจ้านั้นปกครองหรืออยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยและเพราะความรักอันปราดจากเงื่อนไขของพระบิดาเองทําให้เราต้องยกย่องพระองค์ให้ท่านนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในขณะเียกันครับในพระอภีตอนนี้ ขอให้พ้นนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะใครครับที่จะเคารพสักการะแท้จริงแล้วผู้ที่ควรเคารพสักการะก็คือมนุษย์ทุกคนคำอธิษฐานนี้นะครับเป็นคำมธิษฐานที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวประเสริฐประกาศพระกิริคุณเกี่ยวข้องกับการขยายอำนาจการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าออกไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญในเรื่องนี้ ขอให้พระ น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะการอธิษฐานเช่นนี้เป็นการอธิษฐานที่เราจะไม่เห็นแก่ตัวเองนะครับการอธิษฐานว่าขอพระ น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแสดงว่าเราต้องถ่อมใจของเราหลายลงครับมีความหมายลึกซึ้งมากครับกินใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าและการตอบสนองทั้งปวงที่มนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะมีต่อพระลักษณะของพระองค์ ไม่ได้หมายเพียงกิจวัตรประจําสัปดาห์นะครับทางศาสนาที่โบสถ์หรือเป็นเพียงแต่ความนึกคิดอันดีงามเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้นแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันเป็นการเปิดถึงมิติทั้งมวลแห่งความนับถือความเคารพจาเกรงความน่าเกรงขามความนิยมชมชอบความยกย่องการให้เกียรติการบูชานมรดการทั้งหลายทุกอย่างของเรานั้นอยู่ที่พระนามนี้แต่พระองค์เดียวพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่ในวันนี้ผมอยากจ ะ, อะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเราไปโบสถ์ครับเราจะต้องเคารพสักการะพระนามของพระเจ้านะครับทุกคนที่รู้จักคำว่าพระเจ้าจะมีความไว้วางใจในพระองค์อย่างแน่นอนบรรดาผู้ที่เข้าใจในความไยบู์ของพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นจะเกิดความไว้วางใจพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับเมื่อตาของเราหายบอด และได้เห็นพระเจ้าสัมผัสพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นเราจะไว้วางใจพระองค์อย่างแน่นอนครับพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบด้วยพระคุณทรงกิ่วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความตัดจริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งชั่วพันุพันชั่วยุคนผู้ทรงโทรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเราเสียพี่น้องครับ นี่คือพระนามของรพระเจ้าวจนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะทบทวนครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะถ้าแต่พระบิดาของข้าพงษ์ทั้งหลายผู้ทรงรักแปรห่วงใหญ่ข้าพงษ์ผู้ทรงมีขุมทรัพย์จากสวรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของข้าพงษ์ทั้งหลายขอพระองค์และชื่อเสียงของพระองค์พระนามขอ ง, รงพระองค์ลักษณะของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ในชีวิตของข่าพงทั้งหลายทุกคนสุดท้ายนะครับผมอยากจะอัญเชิญพรวจะนะของพระเจ้าให้มาให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ยินเล่ฟังครับเพราะว่าพะวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระนามของพระองค์นะครับเยโฮวาห์ยิเรพระเจ้าทรงจัดเปลี่ยนเอโลฮิมพระเจ้าผู้ทรงสร้างเอลเอเรียน เอลเอเรยนพระเจ้าผู้ทรงครอบครองสวรรค์และแผ่นดินโลกเยโฮวาณิสี i, พระเจ้าทรงเป็นทงของเราทั้งหลายเยโฮวาราฟ้า ah, พระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์อันประเสริฐเยโฮวาชาลูมพระเจ้าผู้ทรงเป็นสนรีสุขของเราเยโฮวาราอาพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเยโฮวาชิเนคู พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราเยโฮวาหซาบาโอตพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เยโฮวาชามาพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ใกล้เยโฮวามาโกเดสคิมพระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์พระนามยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราขอให้เป็นที่เคารพสักการะในชีวิตของเรา ได้ในหมู่ผู้คนทั้งหลายรวมถึงมวลมนุษยชาติอามน